นี่าไกลจะหมดนะ <c oughs> นี่ก็มาศึกษาความหมายของคำว่ามักเลยนะ <c oughs> เปิดในอภิธรรมมัทธวิภาวินีหน้าเจสิบเจ็ดนะ <c oughs> ว่าเอ่อ พูดถึงโสดาปฏิมร์เลยนะเพราะว่ามรคจิตสี่โพลจิตสเราก็กล่าวกันมาบ่อยแล้วคุ้นเคยอยู่แล้วว่ามรมีองค์8อันประเสริฐบัณฑิตเรียกว่าโสดะเพราะไหลไปอาศัยพระนิพพานคือเพราะการเข้าถึงพระนิพพานแต่คําว่าโสดะตัวนั้นเนี่ยนะหมายถึงมรมีองค์8ดที่ไหลไปสู่พระนิพพานคือไหลไปรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานนั่นเองหรือว่าเพราะเป็นเช่นกับกระแสน้ํา ถ้ากระแสน้าไหลไปไหนก็โดยความที่น้อมไปสู่มหาสมุทรเนี่ยนะแม่น้าทั่วๆไปไหลไปสู่มหาสมุทนระคือพระนิพานถ้ามักเหมือนกระแสน้ากระแสน้าไหลไปสู่นิพานมักก็ไหลไปสู่พระนิพานฉันั้นการบรรลุครั้งแรกคือการเข้าถึงการบรรลุมักนั้นตั้งแต่แรกได้แก่การสมาคมครั้งแรกของมักนั้นชื่อว่าโสตาปฏิมักก็คือมาจากโสตบวกอาบวก ปฏิเนี่ยปฏิแป ล, ว, ปล ว, ว่าถึงนอาแปลว่าทีแรกโสตะแปล ว, ว่ากระแส มาเขียนตัวหนังสือไม่ค่อยประณีตมันสายชาติหน้าจะเห็นอะไรไม่ค่อยดีเนะเขียนงามไม่เป็นนะเลยโสตะบวกอาบวกปฏิโสตากแปลว่ากระแสอาแปลว่าแรกครั้งแรกนะไะบวกปฏิแปลว่าถึง อันถ้ถึงกระแสครั้งแรกเห็นไหมถึงกระแสครั้งแรกอั น, นตัวกระแสกระแสตัวนี้เป็นชื่อของมัคเห็นไหมกระแสตัวนี้ไหลไปสู่อะไรไหลไปสู่พระนิพพานเห็นไหมโสตะแปลว่ากระแสอาแปลว่าครั้งแรกตติแปลว่าถึงถึงกระแสครั้งแรก คือคือมัคเนี่ยมันเกิดครั้งแรกเรียกว่าโสตาปฏิมัค น, นั่นเองถึงกระแสคือบรรลุถึงนิพพานครั้งแรกอันนี้ขยายคาว่าโสตาปฏิมัคเออโสตาปฏิมัคเออโสตะเนี่ยนะหรือโสตาปฏิก่อนนะคำว่าโสตาปฏินะียังไม่ได้พูดถึงตัวมัคเท่าไหร่เลยส่วนคาว่ามัคเนะีธรรมะชื่อว่ามัคเพราะท่าว่าสแสวงหาพระนิพพาน สับฟัมมักนะแปล ว, ว่าสแสวงหาพระนิพพานหรือผู้ต้องการพระนิพพานเนี่ยสแสวงหาใครอยากบรรลุนิพพานก็ต้องสแสวงหามักเหมือนกันเถอะหรือว่าฆ่ากิเลสทั้งหลายไปสู่นิพพานคือธรรมชาติของมักเนี่ยเป็นตัวที่ฆ่ากิเลสแล้วก็ไปสู่พระนิพพานจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยมักนั้นน่ะชื่อว่ามัคคจิตคือจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยมักมีองแตกนะนะชื่อว่ามัคคจิต มัคจิตที่บุคคลได้โดยการถึงกระแสครั้งแรกเชื่อว่าโสดาปฏิมัคคิจเนี่ยนะก็จิตที่บรรลุถึงกระแสอริยมัคมีองค์แปดครั้งแรกเนี่ยนะเห็นพระนิพพานอั้นโสดาปฏิมัคนี่แปลว่ามัคที่เห็นมะมัคเห็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าโสตาปฏิเพราะอถาว่ามีการถึงกระแสอริยมัค คราวแรกมรรคของบุคคลพูดถึงกระแสนั้นชื่อว่าโสตาปฏิมรรคจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตาปฏิมรรคนั้นน่ะชื่อว่าโสตาปฏิมรรคขจิตนะมรรคนี้เป็นมรรคที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะเป็นไม่ใช่ภาวนานะเป็นมรรคเรียกว่าทัศนรรคก็โสตาปฏิมรรคถ้าถ้ากล่าวโดยโดยลำดับของญานะเนี่ย โสตาปฏิมักเนี Tal ่ยมีโคตรภูเป็นปัจจัยเนี่ยนะก่อนที่จะถึงโสตาปฏิมักนะโคตรภูมีอนุโลมยานเป็นปัจจัยอนุโลมยานก็มาจากอะไรสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานก็มาจากมุนจิตุกรรมมัตายานมุนจิตุกรรมมัตายานก็มาจากปฏิสังขายานเนี่ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยไล่วิปัสนาลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาบรรลุแทงตลอดอริยมรก็ มันอบรมทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะควบคู่กันไปอันนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้บรรลุอริยมรรคี่ถ้าผู้ที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะคือซึ่งอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เห็นพระนิพพานเป็นครั้งแรกอันนัเพราะโสดาปติมรรคนี้เป็นมรรคที่ที่เห็นส่วนมรรคที่เหลือนี่ก็เห็นตามหรือเจริญตามบรรลุตามที่เคยเห็นแล้วนั่นแหละ นี่ก็ขึ้นสกอาทาคามีมักเลยว่าสกอาธาคามีมักขจิตบุคคลใดย่อมมาสู่มนุมาสู่มนุสโลกนี้ครั้งเดียวคือคราวเดียวด้วยอํานาจปฏิสนธิเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าสกอาทาคามีได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในสกอาทาคามีผลผู้ที่มาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งโดยการปฏิสนธิี่จริงๆแล้วพระสกอทาคามีนี่มีอยู่ห้าจำพวกด้วยกันเนี่ยนะพระนาคาสกอทาคามีในโลกเนี่ยนะมี5้าห้าจำพวก คือบุคคลที่บรรลุ ค, ความเป็นพระสกะทาคามีในมนุสโลกนี้แล้วปรินิพานในมนุสโลกนี้ด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุอันนี้เช่นพระอรหันท์ทั่วไปนะจะต้องผ่านสกทาคามีก่อนทุกองใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าของเราก่อนหนะ้านั้นท่านก็เป็นพระสกะทาคามีแต่เป็นพระสกะทาคามีที่จะบรรลุมรรคชั้นสูงแล้วปรินิพานในโลกนี้เนี่ยในประเภทแรกก่อนนะประเภทที่สองบุคคลที่บรรลุในเทวโลกนั้นแล้วปรินิพานในเทวโลก เธอไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อะไรก็บรรลุเป็นพระสกาาทาคามีที่เทวดาหรือที่พรห ม, มโลกแล้วปรินิพานที่นั่นเลยไม่ต้องกลับมานี่อีกอันนี้ที่สองที่สามบุคคลที่บรรลุในมนุษย์โลกนี้แล้วปรินิพานในเทวโลกเช่นไม่ต้องย้อนกลับมาสู่มนุษย์อีก น, อนะ ก, ก็ปรินิพานที่นั่นเลยเช่นเป็นเทวดาจุติจักเทวดาปฏิสุทธิในพรหมปรินิพานที่พรห ม, มโลกไปเลยอย่างเงี้ยนะพวก น, นี้ก็ไม่ต้องกลับมา ส่วนบุคคลที่บรรลุในเทวโลกนั้นแล้วปรินิพานในมนุษยโลกนี้นี้ก็มีใช่ไหมบรรลุเป็นพระสกทาคามีที่เทวดาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ห้าบุคคลที่บรรลุในมนุษย์โลกนี้แล้วเกิดในเทวโลกนั้นปรินิพานในมนุษยโลกนี้พระนาคามีที่ห้าท่านประสงค์เอาในที่นี้คือข้อห้านี่หมายถึงเช่นเป็นมนุษย์เป็นพระสกทาคามีแล้วไปเกิดเป็นเทวดาจูติจากเทวดาแล้วมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแล้วปรินิพาน ส่วน ท, วทั่วไปเราจะพูดถึงภระสกท า, าคามีข้อที่หแต่จริงพระนาคามีมีหประเภทนะแต่โดยมากเราจะพูดถึงข้อเดียวนัคือข้อที่หเช่นกลับเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละมันรูปเป็นพระสกท า, าคามีไปเกิดเป็นเทวดากลับมาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์โดยปฏิสนธิอีกครั้งหนึงน่งเนี่ยนะแล้วปรินีพ่านอะ่ะนะเราโดยทั่วไปจะนิยมพูดถึงข้อนี้ข้ออื่นๆทั้งสข้อบนนี่ไม่ค่อยพูดถึงแต่จริงๆก็ชื่อว่าโดยชื่อนะเป็นภระสกท า, าคามีเหมือนกัน จึงอยู่พระสะกท า, าคามีจำพวกหลังนี้ไปจากมนุษยโลกนี้แล้วกลับมาปฏิสนธิในมนุษสโลกนี้อีกครั้งเดียวเน้นเอามาโดยปฏิสนธินะสะกิงอาคามีหรือว่ามาครั้งเดียวเนี่ยเน้นว่ามาโดยการปฏิสนธิไม่ใช่มาแบบมาแบบเทวดาเข้ามาเยี่ยมพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาแบบนั้นแต่มาโดยมาเนี่ยลงเกิดในครั้มเลยแหละอย่างเนี้ มัคคจิตของพระสกาทาคามีนั้นชื่อว่าสกอาทาคามีมัคคจิตพระอริยะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลเท่านั้นท่านเรียกว่าพระสกอาทาคามีคําว่าสกอาทาคามีเนี่ยนะเน้นผู้ที่ได้บรรลุอริยผล น, ยนะเพราะผู้ที่มีความพร้อมเพียงด้วยมัคไม่มีการมาด้วยอํานาจปฏิสนธิแม้อย่างนั้นคือมัคนี่ไม่ไม่สามารถมาได้อยู่แล้วจริงอย่างนั้นมัคที่เกิดก่อนซึ่งเป็นเหตุแห่งผลนั้นท่านเรียกว่าสกอาทาคามีมัค ให้พิเศษโดยพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลเมื่อแยกจากมรรคอื่นๆอนาคามีมรรคก็อย่างนั้นเหมือนกันจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยสะกะทาคามีมรรคชื่อว่าสะกะทาคามีมรรคขจิต <c oughs> ส่วนทั่วๆไปนะใครที่เรียนเรื่องมรรคก็ควรศึกษามรรควิถีเอาไว้นะมรรควิถีซึ่งวิถีจิตที่เกิดก่อนที่จะ วิถีจิตที่เกิดในการบรรลุมรักอ่นะนะซึ่งการบรรลุมรักผลต้องเป็นมโนโทวารวิถีเท่านั้นนะชาวนะปกติเจ็ดดวง น, นงนี่นแล้วลงผวังเลยนะไม่มีตถาธรรมะที่นี้ในชาวนะทั้งเจ็ดเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีแบ่งแบบทันทาพิญญา พวกทันธาพินยาคือบรรลุช้าประกับบรรลุช้านะกับบรรลุเร็วเรียกว่าคิด ป, ป, ปาพิญญาอภิญญานี่แปลว่าตรัสรู้หรือบรรลุทันตะทันทะตัวนี้นะแปลว่าช้าทันทะน่าจะแปลว่าทันใจหรืว่าเร็วนะไม่ใช่แปลว่าช้าคิดปาเนี่ยนะแปลว่าเร็ว ผู้ที่บรรลุช้าเนี่ยดวงที่หนึ่งอันนี้จะเป็นบริกรรมเนี่ยนะบรรลุที่สองก็จะเป็นอุปจาระอันนี้ก็จะเป็นอนุโลมเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นโคตรภู น, นี่เป็นมัชเป็นผลเป็นผลสองถ้าเป็นพวกบรรลุเร็วอันนี้จะเป็นอุปจาระพวกนี้ไม่มีบริกรรม อที่สองก็เป็นอนุโลมสามก็เป็นโคตรภูสี่ก็เป็นมรกเป็นผลสามดวงนั่นหมทีนี้ตัวตัวมร์อันนี้มรกตัวนี้แปลว่าค่ากิเลสใช่ไหมเมื่อกี้แปลว่าค่ากิเลสหรือว่า ผู้ที่ต้องการพระนิพพานต้องสแสวงหามรคนนี้นนะสแสวงหามรคนนี้แล้วในมร์เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยอะไรองค์เท่าไร่องค์แปดซึ่งในจิตอื่นๆเนี่ยนะปกติทั่วๆไปวิปัสนาจิตเนี่ยขาดอะไรขาดวีระตีศีน์ทั่วๆไปมีวีระตีเกิดทีละหนึ่งแต่ในมรคจิตวีระตีต้องพระต้องสามแล้วอารมณ์ก็พิเศษนะอย่างเช่น บริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะพวกนี้มีอะไรเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์ถ้าเป็นการดูบาดก็คือดูบาดทะลุอ่ะนะสังขารนี่เหมือนบาดไตรลักษณ์เหมือนกับช่องทะลุอ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับดูบาดทะลุเหมือนนนะ่ยดูบาดร้าวดูบาดแตกบาดทะลุเนี่ยนะพอโคตรภูเนี่ยนะพวกนี้มีจิตเหล่านี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ เนี่ยพวกตั้งแต่โคตรภูนะโคตรภูเนี่ยพวกนี้มีนิพานเป็นอารมณ์ในชวนะทั้งหมดเจ็เนี่ยแยกออกเป็นอารมณ์ทังสองเลยอ่เนี่ยพี่ความพิเศษของมัคจิตมัคควิถีแล้วแล้วแค่แค่ชวนะเดียวนี่มาตัดสินกันว่าชาว่าเดียวก็นั่นแหละตัดสินกันที่วิถีชวนะแมันก็แค่ดวงเดียวนะ โอ้นี้ก็นับว่าช้านับว่าเร็วแล้วนะเดวงนี่ก็ยังะะก็ทั้งเจ็ดดวงนะแต่ว่านี้ก็นับว่าช้าว่าเร็วแต่ก็มีช้าเร็วแบบในย่าอื่นอีกก็มีเช่นว่าพอเจริญวิปัสนาหลังจากได้ปฏิปทาญานทัศน์นาวิสุท ธ, ธิแล้วอ่ะบรรลูช้าอันนั้นก็เรียกว่าบรลลูช้าหรือบรลลูเร็วตรงนั้นด้วยอีกในหนึ่งอ่ะนะอีกในหนึ่งตั้งแต่พังขยานเป็นต้นมานะใช้เวลานานหรือใช้เวลาน้อยก็วัดกันที่ตรงนั้นจักนั้นมาด้วย อีกในหนึ่งอีก น, นก็วัดแบบนี้ด้วยทีนี้ตัวมรรคนี้เนี่ยนะอย่างคำว่าอนุโลมนี่คืออะไรเนี่ยนะอนุโลมนะอนุโลมเนี่ยมีความหมายสองอย่างอนุโลมต่อวิปัสสนากก่อนอนุโลมต่อโพธิปักฉิยธรรม สัมนวนว่าตัวนี้นะอนุโลมตัวนี้เหมือนพระราชาว่างั้นเน่ยพระราชาเนี่ยสมมติว่ามีนักโทษคนหนึ่งมาตัดสินประหารชีวิตพระราชาก็วินิจฉัยเาลชั้นต้นต้นอัมมาที่วินิจฉัยมาแปดท่านวินิจฉัยถูกต้องเป๊ะหมดไม่ผิดแ ล, แล้ววินิจฉัยตามโบราณนักาธรรมเออบัญญัติกฎหมายเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆสอดคล้องหมดเพราะนั้นก็เรียกว่าอนุโลมมายานอนุโลมตามวิปัสสนาขั้นก่อนอนุโลมต่อ โพธิปักษิธรรมเห็นไหมส่วนโคตรภูนี้ตั้งอยู่ในอาวัชนะนะอาวัชนะเหมือนกับตัวที่นึกถึงนิพพานเท่านั้นเองตัวที่นึกถึงนิพพานหรือตัวที่เห็นนิพพานซึ่งไม่ได้ทํากิจละกิเลสอะไรเพียงแต่ว่าเป็นตัวที่ธรรมชาติที่ลีกออกจากสังขาร น, นิมิตเห็นไหมหลีกออกจากบาตทะลุอันนี้บอ้โหไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วบาตทะลุอันนี้บาตมีรูอันนี้ ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาเหมือนกับหันหลังกลับเท่านั้นเองมักก็ลวงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ประหารถ้าเช่นโซดาปฏิมััินะประหารอะไรที่เรียกว่าฆ่ากิเลสก็ฆ่าฆ่ากิเลสคือสกายะทิถิวิจิกิชาสีลพัตตะปรามมะและฆ่าปฏิสนธิด้วยนะฆ่าปฏิสนธิในอบายสี่ฆ่าอะไร ค่าตัวที่นำเกิดในอบสี่หมดแล้วค่าปฏิสนธิในภพที่แปดเป็นต้นไปเนี่ยตัดเกลี่ยงหมดเลยสังสารทุกเนี่ยตัดออกไปหมดนนะถ้าน้านทะเลเนี่ยบอกว่าคุณเหลือแค่เจ็ดหยดก็พอนนะอนุอนโซดาปฏิมากนี่ยิ่งใหญ่มากมานั้นนะแล้วก็ค่ากิเลสนนะตัวตัวกิเลสก็เน้นอะไรโลภะมูลจิตที่ถิกตาสัมปยุตสี่วิจิกิจชาสัมปยุตหนึ่ง โทสะที่หยาบที่ที่ทําให้เกิดกิเลสเนี่ยนะโทสะที่ทําให้ร่วงกรรมบทเป็นต้นนะพระพระสกะทาคมเออพระโสดาบันเนี่ยละตัวที่กิเลส ท, ที่เป็นอาปายคามินีเนี่ยท่านละหมดเล ย, ยนะนะพระอนุภาพของมรรคเป็นตัวฆ่าแต่จะฆ่าได้ต่อเมื่อมีพระนิพ้น า, า, า, นนานเป็นอารมณ์อย่างวิปัสสนาที่เจริญกันทั่วไปยังมีสังขารเป็นอารมณ์มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นคุณภาพยังไม่สามารถ ตัดกิเลสอย่างสมุดเฉดแบบนี้ได้อันนี้คืดเรว่าพอถึงความสุขอ ย, อย่างแท้จริงแบบนี้เข้าก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจกามนะ้วนะดีไหมมันคุณละวันมักดีอยู่แล้วเนาะคำถามที่ตอบไม่ยาก พิเศษเลยนะพิเศษก็คือมาจากพิเศษอ่ะนะก็คือไม่ธรรมดาบางนั้นนะเขาบอกว่าพอใช้ดีดีมากดีที่สุดเราก็าแบ่งความดีหลายประเภทใช่ไ